เดี <Yeah. c oughs> ๋ยวยังมีเวลาได้เจอผมกี่ทีดยก่่นให้ตามเวลาทุกไม่ง้นงดดินมาทางนแทน นอนอยังเด็กน้อยือนหนาัง่ ว, นวงนอนยังไม่ง่วงไงนี่ไงถูกหวยอเปล่าถูกแล้วที่ไม่ง่ว <c> ง <oughs> สงสัยว่าทำไมไม่มมมง่วงสามถูกหวยสาที่นีไม่ง่วง เรนรู้ได้ตามใจเรานะึกอย่างนี้คขาเีเขารยานทร ง, ท ง, ง, งเทงใช่หรอายานยานารู้รู้ตามอารมณนะ์นึกใช่ไหความจริงคนมีราบยังไงก็ถูกใช่ไหมถ้าไม่มีราบก็ไม่ถูกยานเราก็ชรงมาถูด <c oughs> คุณหนึ่งก็ไปขอท่านก็ถูกเยอะแยะไอ้เจำหลานชายอยู่ด้วยทานนะาไม่รู้จักจะ็ูดวงเขาจริงๆวันหนึ่งหวังจะสงข้อหลานได้ค้อจริงเลขหวยเนี่ยทรารู้จริงจะพูดไปได้ถ้าก็าถอนเซซส้นสานแล้วเขียนเลขในกระดาษตัวใหญ่ส <c oughs> ามตัวกับสองตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวยังย็ยำกายำก็หน่อยใส่หัว ยังเอาขนไปล้างดีไปข้อที่ขนสะอาดแล้วที่ไหลนี่อ่านไในกระดาษก้าวไปดีก็เอากระดาษไ้ไขกระโหนเลยนะตอนขึ้นมาเป็งกระดาษไปไหนพบไข่กระโหนเกียวมดแล้วิ้งแล้วเดี๋ยวเออจะทนาต่อไปจนะไมว่าเลยทำนาต่อไปโอไงเรนยางเดียไม่ต่องตอี่อื่นนัมันยุงใจ หม่เรื่องกันแต่กนอื่นเขาก็คิดใช่ไหมไอ้ถุก็ใส่กระดาษแห่งกระดาษด้วยแก๊สตู้ใหญ่ที่ยุ่งๆก็ใส่ไอ้เจ้านั่นไปก็เอาฝนลงน้ำก็สาดขัดกันเรียบร้อย ไปรอดไปรอดแอมดึกเสียงไห้ก็มันดึกไปเลยอยู้นะจังหวะดีกว่าดีกว่น เป็นลายเป็นนีดหน่อยเออยจริงจริงนะเนี่ยผมไม่ก่อาจริงจริงไอ้ยาจมห็ต้องบริสัทธ์ตอนนี ไปพ้นบรรดาญาติโยมหลายฟังคำแนะนําในการเตริยมลงมติฐานสักครู่หนึ่งเรื่องการเตริยรมรงมติฐานขอทุกท่านโปรดทราบว่าปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื้อคํำว่าความดับไม่มีเชื้อมัหมายถึงว่าการตัดกิเลสไม่เหลือเลยแต่การตัดกิเลสที่จะหากว่าจะจะเร่งรัดในการตัด เป็นอัตราการรุนแรงโยก เ, ยเกินไปไม่มีผลถ้ามีคามปรารนาไอยากจะรักกิเลสให้เร็วตั้งใจอย่างนั้นในกรารสุกันนี้การโย ก, โยกไม่มีทางผลต้องใช้มัชิมมาปฏิบัติโดยรูแบบสบายๆนวิธีจริงๆถ้าพูดมากของจะเพื่อง วิธียินดีการที่เราภาวานากันก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีเป็นการฝึกส ต, ติสมัมปัญญะให้มีการเข้าตัวส ต, ติรู้ส ต, ติตะระลึกได้สัมปัญญะสมัมปชัญญะมีการรู้ตัวเป็นการฝึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีรู้คำภาวานาก็ดีจิตได้ควบคุมว่าเวลานี้หายใจเข้าเรารู้อยู่ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสัน้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใจรู้อยู่ตามนี้พิรุธสติก็ดีสมัมผชัญญะก็ดีใช้ได้ <c oughs> หรือว่ารู้คำภาวนาก็ใช้ได้เหมือนกันการมีสติสมัมผัชัญญะสมบูรณ์ <c oughs> ก็เป็นปัจจัยตัยกเกลียดได้โดย ง, ง่ายแต่ว่าทางนี้ทุกคนก็ต้องค่อยๆฝึก <c oughs> <c oughs> อย่ารุกรานเกินไป ในระดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดให้มีความเข้าใจว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะสินบริสุทธิ์ถ้าสินสมบูรณ์แบบสมาธิก็เกิดเองเพราะสินย่อมีได้รุ่นหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร ถ้าทำทั้งสองรายการนี้นมีอยู่ประจําใจจิตใจก็มีความเยือกเยน็นสิงก็ทรงตัวว่าใจิตใจมีความเยือกเย็นสมาธิก็ เ, เกิดคำเราะสมาธิแปลว่าความตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจจะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานี้เราจะรู้คำอวันา อย่างนี้คือว่าตั้งใจตั้งใจเพื่อจะรู้รละก็รู้ตามนั้นอย่างนี้เที่ยวมีสติก็รึกชาได้ทัญญาตัวแต่การชโลมแบบนี้ก็เป็นธรรมดาการฝึกในเมื่อเรายังไม่เป็นพระหลานเพียงใดความเขือย่อมปรากฏเราเป็นธรรมดาได้กันแค่นั้นหากว่าเวลาที่บรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านรู้รู้ไม่ใจเข้าออกก็ดี รู้คำาาวนาก็ดีบางครั้งมันเผลอไปไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็เป็นเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่คบมีวอร์มานานในเมื่อเผลอไปรู้ตัวก็ตั้งตนใหม่ทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าล้ก็ชินในเมื่อรมชินอยากจะรูร้้ให้ใจเข้าออกอะไรรู้ได้ทันทียากจะรู้คำาาวนานอะไรรู้ได้ทันที อย่างนี้เรียกว่าพูดทรงชานพูดทรงชานจริงๆ น, นไม่ใช่ไปรู้ทุกเวลารู้แต่เพียงว่าต้องการเมื่อไรใช้สมาธิได้่ว น, นั้นต้องการเมื่อไรรู้ลมหายใจถ้าจออกได้ทันทีต้องการเมื่อไรรู้คำเวล า, าได้แต่ดีด้วยเราอื่นไม่โกนอย่านี้เรียกพูดทรงชานเบ <c oughs> <c oughs> ื้องต้นทำศีลให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นพยายามระงับปีวอนจากอารมณ์ใจท <c oughs> ีที่ระงับปีวณนก็นไม่อยากคือไม่สนใจกับมันเลยนี่วอนมีชื่อไปยังไงบ้างไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวคือรู้ลมเข้าลมออกกรู้คำภาวนาขณะใจที่รู้ลมไม่ใจเข้าท อ, ออกรู้คำภาวนาโดยไม่ขี้เกียจเลย่างานี้ชื่อว่านี่วอนะครับ มารีวรทั้งทั้งห้าทั ง, งับอะไรเวลานั้นจิตเป็นมาถมพิชานทันทีอาการเขาว่าถมพิชานไม่ที่มีอาการสูงอ่การเขาว่าถมพิชานมีอย่างนี้คือว่าขณะใดที่จิตภาวนาก็ตามที่พี่จะนาก็ตามแต่รูล้ลมหายใจก็ออกก็ตามหูได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าคนพูดมาเราฟังรับทราบท้กหมด แต่ไม่ํำคาญในเสียงขนาดใจที่จิตไม่ํำคาญในเสียงขนาดนั้นจิตเป็นปฐมฌ า, านฌานที่หนึ่งเาแค่นี้นะหลังจากนั้นไปเมื่อจิตเป็นฌานอารมณ์ก็สงบมีความเยือกเย็นฌานเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดคือปัญญาจะเกิดเพราะอารมณ์นสมาธิทรงตัวในเวลาเลข้านาทีเสเป็น มีการเรียนนี้นะจะีย้ไม่เกี่ยวก็ลงความว่าตอนนี้ไปจะพูดถึงเรื่องปัญญาวันนี้เป็นวันสุดท้ายปัญญาเนี่เราจะใครเป็นเครื่องเปรียบ ม, มันก่อนพระมุคลาปตติบทใช่ไหมแล้ววันนี้พระรัฐบาลปัญญาขณะหาันอาจจะสูงไปหน่อยแต่ก็ไม่เกินไปนักวันนี้ลงใช้ปัญญาของผู้หญิงดูบ้าง ให้ช่วได้ไหของท่านรูบนันทาเทรถา ร, ทององทาารีท่านรูบนันาทาจมีสองอค์พ่านารูรันทาองค์หนึ่งท่นรูบันทาเถรีองค์หนึ่งทางการท่านรูนนรนันานาูบันทาเด้เป็นพระหลนต่อหน้าพระพุทธเจา้าแต่ท่านรูนันทาเถรีเนี่ยเป็นเป็นหลานหลังจากฟังเทศมาแล้วท่านนาที่ฟังเทศไม่ได้เป็นพระหลาน กลับมาถึงห้อท่อมเป็นพระราหันสาหรา <c oughs> ับธูปนภาเทรีท่านมีจริยาแบบนี้หรือว่าขณะที่ท่านฟังเทศเจ้าพระพุทธเจา้าท่านกลับมาพอนขณะฟังในฟังเทศแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็ น, รน <c oughs> พระราหันก็กลับมาถึงห้อท่อมท่านตักน้ามาล้างเท้า ตักน้ําก็ะโบยแรกมาเพื่อร่างเท้าน้ำโบยแรกรากเท้าลงไปน้ำไหลไปแล้วก็หยุดจู่ก็ซึมไปในดินสั้นๆเลยนะ <c oughs> ซึมไปในดินกใกล้ๆตักกระโบยที่สองมาร่างเท้าน้ําไหลเลยไปหน่อยแล้วก็หยุดซึมไปในดินกระโบยที่สามตักมาแล้วน้ําไหลเลยกระโบยที่สองไปหน่อยแล้วก็ซึมไปในดิน ไห้ก็มีความรู้สึกว่าตามที่พระเจ้าทรงจัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงนิ <c oughs> ่งกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าเราถึงเราในวันพรุงนี้ให้คิดว่าความตายอาจถึงเราวันนี้ไว้เสมอเ <c oughs> มื่อคิดตาม น, นี้แต่ก็คิดว่าน้ำกระบวยที่เหน่งเราตักรากเท้าซึมไปหน่อยเดียวนั่งก็แหง นางกบบระโบยที่สองตัดล่างพาแลาวซึมเลยไปนิดแห่งนางก็แหง่งนางกบบระโบยที่สามตักล่างพาแล้เลยไฟนิดก็แห่ง น, น, น, นางกบบระโบยที่หนึ่งเหมือนกับคนที่มีอายุในประฐมอวัยยังเป็นเด็กจะต้องตายในเมื่อยุน้อยน้อนางกระโบยสองเมื่อคนที่ตายในยุปรางคนนางกบบระโบยสามเมื่อคนตายมันมีเยอายุมากแล้ว นายนายก็เลยสรุปว่าขึ้นเที่ยว่าความตายย่อมมีแก่คนทุกวัยจะเป็นเด็กก็ดีเป็นคนวัยกลางคนดีคนแก่ก็ดีย่อมตายได้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเป็นพระอลานที่นั่นมีพระเดชว่าพระหานก็บวยนะจะลงรบไปนะเนี่ยจะลงฟ้าบรรดาแต่พุทโธสัตย หากจะลองใช้ปัญญาง่ายๆแต่จอยเร่งรัดเกินไปนะค่อยๆคิดให้มีความรู้สึกตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจอยคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพวกนี้ความตายจ้เข้าถึงเราวันนี้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทถ้าคิดว่าเรายังไม่แก่และไม่ตายนมันผิด เพาะคนเกิดที่หลังเราตายก่อนเราไปเยอะรุ่นเราพารีกับเราก็ตายก่อนเราไปเยอะท่านที่แก่กว่เราอาจจะยังไม่ตายเราตายก่อนก็ได้ให้จองปราร็ตัวเองม่าขึ้นชื่อวร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราไม่สามารถจะห้ามไปยับยังมันได้ในเมื่อความตายกำมาถึง ถ้าเบอเความตายยิเข้ามาถึงจริงๆถ้ายัางหวังหวังความทุกข์อยู่ก็จงอยากเกิดต่อไปถ้าไม่หวังความทุกข์ก็จงอย่าคิดเกิดคิดตัดมนุษเปนโลกตัวโลกเราเป็โลกหวังนิพพานใจจิตในจำเป็นที่ไปในที่เดียวแต่การหวังนิพพานเพื่อความแน่นอนขอทุกคนจงตักสังโยต์สามได้การเบิ้อนตน้น คือหนึ่งส ก, กายติฏฐิ <c oughs> ส ก, กายติฏฐิตัวนี้ถ้าเป็นสมถะภาวนาท่านที่ว่ามรณานุติกามฐานจะเนื่องทั้งความตายเป็นอารมณ์ที่เราอาจจะต้องตายทางเป็นวิบัตินา ย, ายก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเหมือนกันในเบื้องต้นท่านโสดาภีธาคามีกับโบราณนุติกในใกล้คลึงกั น, กนเป็นกัน ม, มีความรู้สึกึงคิดว่าชีวิตนี้นร่างกายนี้ต้องตายตามที่ พ, พุทธเจ้าทรงตรัสว่าระโสดาปัญกฤติระดีทาคาเมีกฤติมีปัญญาเล็กน้อยและมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์สมาธิของมโสดากระดีทาคามีแค่ประจมชิชันนั่นเป็นด้าน ก, กายวิธีที่มีความรู้สึกเพียงเว่าชีวิตนี้ต้องตาย เมื่อเห็นว่าชีวิตจะตายจริงก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไปอีกพึ่งถ้าคิดว่าถ้าคิดพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในเมื่อจิตรยู้สนเราตายแล้วไม่ลงมารกแน่พระเจ้ช่วยหลังจากนั้นเรส่งสินให้บริสุทธิ์จิตฝังตั้งถึงมนิคพันธในอารมณ์ถ้าบรรดาแต่พุทธไวยสัตสามารถควบคุมอารมณ์ มันก็เผลอบ้างไป็ขอธรรมาดาว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้อาจจะต้องตาย <c oughs> นี่พระตระานาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงบนิพพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามทรงสินห้ามวันสดมันจะเผลอบ้างเป็นขอธรรมาดาได้จิตฝังไม่ได้พานถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าทุกคนบว่านนิพานก็ได้แน่มาเอาถ้าตายจยากความเป็นคนยังปานิพานไม่ได้ ต้องเกิดเป็นชาวดาหรือพรมหลังจากนั้นมาเกิดเป็นชาวดาหรือพรมแล้วถ้าพระชอานตัดแปรงเทกข้างเดียวเป็นพระราหาันสมัยแรกไฟไน่ผ่า น, นาได้ฉะนั้นของบรรดาท่านพุทธบริษัทลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงวดนี้ในวันนี้ของบรรดาท่พุทธบรษัทใช้ปัญญาเล็กน้อยพอสมควรคิดจานความเป็นจริงว่าหนึ่งชีวิตนี้ต้องตาย สงความตายมีสมรัยการไปสู่สุคติและทุคติเราจะไม่ยอมไปสูส่ทุคติแน่นอนหวังสุคติไปนี่ไปการหวังสุคติก็มีการยอมรับตรัสพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสองฆ์หลังจากนั้นพยายามรักษาศีลให้ส่งตัวไม่ใหม่เป็นเพล่บ้างอะไรบ้างกปบอิหารธรรมดานุญาตควบคุมกำลังใจเขไว้ตั้งใจตั้งไว้เฉพาะในพานจุดเดียว ออ น, นี่ขอย้อนต้นนิดสาหรับญายูายพุทธบริษัทที่ไม่เคยปฏิบัติกันก่อนวันนี้นะให้ใช้คำวนาว่าพุโทโธ <c oughs> เวลาให้ใจเข้าในว่าพุทธใจออกในบโธไอ ญ, ญาญูนั้นหลายเคยปฏิบัติมาจากสำนักอื่นใช้คำวนาก็ดีพิานายก็ตามอย่างไหนน่องในโปรดอย่าเปลี่ยนใช้อย่างนั้นเป็นปกติ ข้าตั้งคืเปลี่ยนเนการขึ้นตนใหม่จิตที่วุ่นวายตอนนี้ไปวนดาญาโยมมุตุบริษัทนิหลายตั้งใจสมาทานสีลสมาทานเป็นกรรมฐาน